ก็เลยอธิบายไปซะแล้วเพราะฉะนั้นในวันที่สี่จุดหนึ่งก็สี่จุดสองเนี่ยที่จริงแล้วมันต้องอธิบายประจำวันที่สิบเก้าของความกวนกะ ว, กะวย <c oughs> ไปอธิบายวันเดียวหมดอธิบายวันเดียวหมดก็คงจะไม่ชัดเจนนะักหนาแต่ก็ได้อธิบายให้ฟังอย่างก็ คิดว่าน่าจะเจ่มแจ้งเพราะว่าไอ้ความเจ็บปวดเมื่อยหอยหิวนั่นอะ่ะมันเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยมันเป็นมหาสติปัะฐานที่อธิบายไว้นั่นทีนี้ความควรกุไวเนี่ยมันเป็นสังขารอยู่ในจำนวนขันห้าที่ก่อความอะวุ่นวายก็อธิบายไปแล้ว <c oughs> เมื่ออธิบายทั้งสองอย่างควบกันนักศึกษาก็คงจำไม่ค่อยไหว หรือว่ารับไม่ค่อยไหวแต่ยังไงเสียก็ให้เข้าใจว่าความเจ็บปวดเมื่อในหิวนั้นน่ะไม่ใช่เขียนไว้เพียงโก้โก้แต่ว่ามีหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ที่ว่ามันเป็นเวทนาหนึ่งในจำนวนของมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนั้นมีกายเวทนาจิตธรรมมีสี่อย่าง เพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยเนอหเนื่อยหิวนี่หนึ่งในสี่ของอมหาสติปฐานจึงถือว่าความเจ็บ ป, ปวดเมื่อยเนอหเนื่อยหิวนี่ถ้าใครผ่านได้ถือว่าผ่านสนามรบเพราะว่าอันนั้นมหาสติปฐานนั้นถือว่าเป็นชัยยภูมินั้นจึงได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในข้อที่ว่า วดเมื่อในหิวแล้วอีกข้อหนึ่งที่ว่าความกระวนกระวายนั้นเกี่ยวกับเรื่องความสร้างวิมานบนอากาศหรือว่าแอะจิตใจเรื่อนลอยหรือว่ามีความคิดอะไรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ควรจะคิดแต่ก็คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันจิตใจนี่มันขุนคล้องหมองใจ เดี๋ยวอย่างนั้นล่ ะ, ะเช่นนั่งอยู่ดีๆไม่พอนั่งคนเดียวเนี่ยคนที่จะคิดอย่างอื่นดันไปคิดไอ้สิ่งที่เราไม่ได้สงความปรารถนากรรมนั่งชังตัวเองอยู่ตลอดอันนั้นเขาเรียกว่าความกังวลกวายไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสังขารสังขารตอนนี้มันอยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเขียนไว้ว่ากระวนกระวายนั่นอ่ะ เราไม่ได้เขียนขึ้นมาอย่างที่ว่าอยากเขียนก็เขียนแต่ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ทาสมาธิจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านสมาธิชนิดหนึ่งการต่อต้านสมาธิชนิดนี้คือตัวสังขารอย่างความเจ็บปวดเมื่อนี่หิวนัน่นคือสิ่งต่อต้านสมาธิอันหนึง่งแต่สิ่งต่อต้านอันนี้คือเวทนาเนี่ย แล้วความสำคัญของทั้งสองอย่างนี้ก็มีความสำคัญแก่ชีวิตบุคคลทุกๆวนาเพราะว่าเวทนาถ้าไม่มีแล้วเนี่ยคนเราก็เป็นคนอยู่ไม่ได้เช่นอย่างว่ากินข้าวอร่อยรับประทานอาหารอร่อยอหรือว่าเราไปได้โชคหรือว่าเราได้กำไรค้าขายหรือว่าเราเกิดความทุกข์ร้อนเหน็ดเหนื่อยหรือว่า ใครมาดาม่าเราโมโหอะไรอย่างนี้อันนี้คือความสัมผัสเวทนาได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นตัวปลาการที่สาคัญที่จะเข้ามาต่อสานการทำสมาธิของเราเพราะฉะนั้นจึงได้เอาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอันนี้แหละมันตัวที่เราจะต้องผ่านเพื่ อ, อนอื่นอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ตอบมาดับสองคือไอ้ความกระวนกวายเนี่ยเกิดขึ้นจากสังขารเพราะไอ้จ้าตัวสังขารเนี่ยแหละที่มันทําให้โลกเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองหน้าอยู่หน้าชมแล้วก็สังขารตัวเดียวเนี่ยทําลายโลกทั้งโลกไอ้ตัวสังขารเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าไอ้ความกระวนกระวายที่เขียนไว้น่ะ คือตัวหนังสือเพียงไม่กี่ตัวแต่ความหมายที่ว่าเป็นเรื่องของการต่อต้านสมาธิเนี่ยเป็นอันดับเ็าเรียกว่าเข้าอันดับถ้าไม่เข้าอันดับก็ไม่จัดเข้ามาอยู่ในนี้พวกต่อต้านสมาธิเนี่ยเพราะนั้นถ้าหากว่ า, เ, าเร า, เาสังเกตการทำสมาธิมาโดยตลอดแล้วอันดับแรกหมายว่าถึงว่าเรายังไม่เคยอะไรเงี้ย อันดับแรกเราก็จะต้องต่อสู้กับเวทนาอันดับแรกแล้วนะเรียกว่าด่านแรกถ้าด่านแรกไม่ผ่านก็ไม่ต้องผ่านแล้วด่านอื่นนั้นทีนี้เมื่อได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะอเต็มที่นักก็เลยมาทบทวนวันนี้อีกสักเล็กๆน้อยๆที่พูดมาให้ฟังเนี่ยอันนี้พอมาถึงวันนี้ก็ถือว่า เป็นวันที่เราได้อธิบายวันที่สิบเก้าผ่านที่ผ่านไปแล้วนั่นน่ะได้อธิบายไปแล้วถ้าหากยังไงเทียก็มันมีเทปอยู่ เ, เราอาจจะเอาเทปวันั้นน่ะไปฟังหรือมิฉะนั้นเอาชีตออกมาอ่านเอเกี่ยวกับอเรื่องสังขารกับเกี่ยวกับเรื่องเวทนา <c oughs> ทีนี้มาถึงข้อพิเศษวันนี้คือพิเศษอันนี้คือเอากําไรอวันนี้ถือว่า นักศึกษาได้กำไรไมิฉะนั้นวันนี้ก็ต้องปิดอีกวันหนึ่งแต่ว่าถ้าปิดไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะเสียวความรู้สึกพิกลอยู่หลวงพ่อเองก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าเรามาทุกวันพอสี่โมงกว่าก็เข้าห้องพอเข้าห้องเสร็จแล้วก็ส่งน้ำส่งน้าเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนคิดว่ า, าสมองมันจะไปทางไหน อ่พอได้ห้าโมงครึ่งกับ เ, เดินมาที่ห้องอาหารมาเขียนต่ออีกเอเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ห้องเนี่ยเรายังไม่ทันเห็นหน้าเห็นตานักศึกษาเราก็เขียนไปในอากาศเพราะฉะนั้นจึงเอาเวลาอีกครึ่งชั่วโมงมาที่ห้องอาหารทีนี้นักศึกษาทั้งหลายก็มาที่นี่บ้างอยู่ห้องอาหารบ้าง ทีนี้หลวงพ่อก็มองดูใจว่าใครเป็นไงบ้างพอมองดูอ๋อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็เอาเขีย น, ม, นมันจึงเป็นสองตอนตอนแรกนั่นคือเขียนในอวกาศตอนที่สองคือมองดูใจว่าเขาคิดอะไรกันอ๋อคิดไปอย่างนี้คิดไปอย่างนี้านบางคนคิดเอออย่างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย อลก็เอามามาเปิดเผยมันก็ไม่ดีก็เก็บามาแล้วก็เขียนแก้ไขไปในน่้นเสร็จอันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อคุยเอาแบบไม่มีเหตุผลเมื่อสมัยที่หลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่มั่นในเมื่อหลวงพ่อบีบท่านในขณะที่บีบก่อนที่ท่านจะมาเทศให้พระฟังเนี่ย ร้องพ่อก็ไปบีบปีดท่านก่อนว่าว่าหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยพระมากันแล้วเนี่ยหลวงปู่จะเทศอะไรน้าวันเนี้เฮ้ยแกมาถามงี้ได้ไงไม่ถามได้ไงไปเดี๋ยวบางองค์เขาบอกว่าเขาจะได้ตั้งท่าให้มันถูกแต่ว่าหลวงปู่จะมาเทศแบบไหนแกมันโง่ โอ้ยถึงยังไงก็บอกผมหน่อยก็ยังดีเพราะว่าในฐานะเป็นทอสาก็ต้องเอาไปบอกไม่งั้นผมก็เสียหายมันไม่เสียหายแล้วเป็นยังไงหลวงปู่ลอ ง, งอธิบายเฮ้ยไอ้เวลาเนี้ยไอ้พวกแกยังไม่มานะพวกอาจา ร, รย์อะไรยังไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรไ พอมันมานี่เรารู้แล้วว่ามีนคิดอะไรเดี๋ยวเราออกไปก็จะจัดการอ๋อเลยได้ความเอ้เราก็ต้องเอาตำรานั้นมาใช้ <laughs> อย่างนี้เป็นต้นเพอย่างนั้นบางที เ, เขียนอยู่ที่อวกาศคือมมายความเขียนอยู่ในห้องไม่มีใครเนี่ยมันก็ดีมาเขียนอยู่ที่นี่กับไม่ดี บางทีเขียนอยู่ที่ห้องคนเดียวอวกาศนั่นน่ะไม่ดีกลับมานี่กด็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่นักศึกษามาในห้องอาหารเนี่ยเขาจะคุยกันเกลียวเลยอานเสียงเหมือนนกกระอะไรกระจับอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็จะ จ, ะจะในเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันมนจะมันจะมาเป็นตัวอักษร ให้หลวงพ่อเขียนหนังสือได้เงี้ยอ่ะที่จริงแล้วทําไมเวลาเงียบๆเนี่ยมันน่าจะเขียนได้ดีกว่าไอ้เวลาเจียวอาจจะเขียนไม่ได้ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นอหลวงพ่อบอกกับพระสุคนธ์ะบอกว่าเอ้ยเวลาเสียงเจียวๆนั้นมันมีความหมายนะอะเงี้มันเจียวออกมายหลวงพ่อฟังได้เลยว่าเสียงนี้มันหมายความว่าอะไร เราก็มานั่งเทียนน <c oughs> ัางก็เป็นหนังสือขึ้นมาเพราะว่าหลวงปู่ท่านเคยพูดบอกว่าไอ้ธรรมะเนี่ยที่เราเทศอยู่เวลานี้เราเทศจากคุณทุกๆคนนี่คุณเป็นยังไงเออเราก็เทศอย่างนั้นว่านถ้ามิฉะนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรถ้าหาประเทศไม่ถูก ท่านก็ว่าอย่างนี้อยู่ตลอดเจเนก็มาถึงคำที่ว่าพิเศษคือปริวิตกคำว่าปริวิตกเนี่ยก็คงจะมีอะไรที่ให้เราได้คิดว่าความปริวิตกนี้มันเป็นภัยต่อต้านการทำสมาธิได้อย่างไรอันนี้ก็คงจะเป็นบทพิเศษเพราะว่า ในจํานวนบทเทเขียนเอาไว้นั่นน ะ, ะคาว่าปาริวิตกไม่มีในที่นี้ก็คงจะมีอยู่เพียงหกข้อคราวนี้ได้กําไรอีกข้อนึงคือข้อที่เจ็ดคือปริวิตรความปาริวิตรนี้อันดับแรกของการทําสมาธินั่นคื อ, อเรามีจุดมุ่งหมายคําว่าจุดมุ่งหมาย หมายความว่าจุดพลังอํานาจจุดพลังอํานาจนี้คือจุดมุ่งหมายที่นักสมาธิหรือครูสมาธิที่มาเรียนกันอยู่ในที่เนี้ยต้องการจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่หมายถ้าจะเรียกจุดที่หมายที่สําคัญอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอขั้นที่หนึ่งคือขั้นบริกรรมขั้นที่สองคือขั้นหยุดคําบริกรรม หมายความว่าสมาธิลึกและสมาธิตื่นอธิบายมาแล้วและทีนี้ก็มาถึงจุดสําคัญที่สุดต่อไปจากนั้นก็คือจุดพลังอำนาจหมายถึงศูนย์รวมของพลังจิตเป็นสมาธิที่มีกำลังด้วยการสะสมเพียงพอแห่งความต้องการระดับหนึ่งและเป็นจุดหมายที่นักสมาธิทั้งหลายจะต้องพบและสัมผัส ด, ด้วยกันทุกคน คือทุกคนเนี่ยจะต้องมาสู่จุดนี้หลวงพ่อก็คิดว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยก็คงไม่พลาดที่จะมาถึงสู่จุดพลังอา น, นาจ ด, ด้วยกันอาจจะพลาดไปก็คงเล็กน้อย เ, ออเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารจะต้องถึงจุดความอิ่มผู้รับประทานอาหารจะต้องถึงจุดอิ่มทุกคนหมายความว่า จะพบกับความอิ่มทุกคนเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยรับประทานไปแล้วความอิ่มจะต้องเกิดขึ้นไม่เกิดไม่ได้อันนี้คือจุดของความมุ่งหมายรับประทานกระสับไปถึงตรงอิ่มจะทำอะไรเนี่ย ม, ม, มันมีจุดไอจุดตัวนั้นคือจุดที่มันพอหรือว่าจุดอิ่มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แค่อาหารนั้นแม้จะอิ่มอร่อยพอใจแต่ก็ต้องระวัง อาหารเนี่ยมันอร่อยนะที่ที่สุดคนมีชีวิตกับพระอาหารแต่ต้องระวังเพราะมันมีทั้งคุณและโทษแก่บุคคลผู้รับประทานอย่างเงี้ย <c oughs> อาหารต้องอาศัยความรู้ว่าประโยชน์ น, นั้นรับประทานไปแล้วก็จะเกิดความแข็งแรงขณะเดียวกันอาหารนั้นก็ได้ทำลายสุขภาพ แม้อาหารนั้นจะเป็นอาหารชนิดเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าอาหารนั้นได้ถูกเชื่ยวพันก็ได้สิ่งสกรปรกคือเชื้อโรคอย่างนี้มันเป็นอาหารเหมือนกันแต่ว่ามันได้ถูกเชื้อโรคขโมยเข้าไปอยู่แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่อธิบายคำว่าปาริวิตกปริวิตกนี้คื อ, เ, อ, อเชื้อโรคชนิดหนึ่ง ที่มันจะเข้ามาสู่จิตของเราให้เกิดการต่อต้านขึ้นเช่นความลังเลไม่รู้ว่าการเรียนไปเรียนไปนทําไมแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยอจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์นี้ไม่ไดีควรเปลี่ยนอาจารย์น้นเสียทีหรือว่าเกิดสิ่งที่ว่าเอ๊ะมองไปมองมาเนี่ยมองไปแล้วนี่มันหา อะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วถอนตัวอันนี้คือเชอโลชนิดหนึ่งที่จะต้องเข้ามาต่อต้านสมาธิของบุค <c> ค <oughs> <c oughs> ลก็จะนั่นเวลาที่หลวงพ่อจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็ต้องศึกษาอย่างที่หลวงปู่กงมาที่เป็นอาจารย์แรกของ ของหลวงพ่อเนี่ย <c oughs> ท่านจะต้องอธิบายสรรพคุณต่างๆว่าหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อเชื่อไว้พลางอันเนี้ยเมื่อเชื่อไว้พลังแล้วไปถึงเราก็ต้องแบบเหมือนกับคําพูดนั้นไหมอย่างนี้เป็นต้นพอไปถึงเราก็นับหนึ่งเหมือนแล้วสองเหมือนแล้วสามเหมือนแล้วสี่เหมือนแล้วห้าเหมือนแล้วหมด หมดก็มอบตัวเป็นทสมอบตัวเป็นอุปถาอย่างนี้มหมายความว่าอย่างนั้นพอมอบตัวเป็นอุปถาแล้วตัดความสงสัยออกไปจากจิตโดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะดีไปกว่านี้อีกแล้วว่างั้นฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่าไปคิดว่าเราไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่เอหลวงปู่มั่นจะดีหรือไม่ดีนอะ <c oughs> เหมือนกับท่านอาจารย์มหาปิตที่เล่าให้ฟังนะ่ะ อาจารย์มหาปิ่ณเกิดปริวิทตกดีสามเราได้เรียนถึงมหาห้าประโยคหลวงปู่มั่นไม่ได้ทรักประโยคแล้วจะสู้เราได้ยังไงนี่คือความปริวิทตกพอปริวิทตกเพลนพับหลวงปู่มั่นอยู่ที่กุฏิท่านรู้แล้วท่านนั่งสมาธิท่านรู้แล้วท่านเดินจากกุฏิไปหาอาจารย์มหาปินเอาไม่เท้าตีฝาโป้งโป้งเป็นเป็น ค า, าบหน่าัก็ลุกขึ้นมามานี่โอ้หลวงปู่หลวงปู่ ล, ง, ลงมากับแกดูถูกฉันทำไมอ่าอ่าแกห้าประโยช์ฉันไม่ได้สักประโยชนแกคิดอย่างนี้ทำไมยอมแล้วเพราะว่างั้นตั้งแต่ที่ต่อไปผมไม่คิดนี่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลวงปู่ท่านไม่สงสาร คือท่านไม่สงสารล่ะปล่อยให้มันคิดไปอันนี้คือเชื้อโลกไม่ช้าอาจา ร, รย์มหาปินนันก็จะแผ่ขยายเชื้อโลกนี้ออกมาอาจจะแขนกะดั้งขึ้นแขนก็ด้านขึ้นจนกระทั่งสอนไม่ไหวแต่ว่าหลวงปู่ท่านเมตตามหาศาลแล้วเรื่องอะไรท่านอยู่ที่กุฏิแล้วท่านเดินไปตีนั่นไปเตือนท่านแล้วก็กุฏิวัดป่าไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกันนะ อยู่นี้ถึงโน่นกว่าจะไปเดินไปถึงกุฏิหลังหนึ่งท่านพุษราเดินไปตีฝาอันนี้คือเมตตาที่สูงสุดแล้วอาจารย์มหาปิ่นก็กลายเป็นบุคคลผู้ที่สําคัญขึ้นมาในต่อมาในภายหลังอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นความปริวิตรกตันนี้คือเ อ, อสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการที่ เราจะทำให้มันอยู่ในจิตใจไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันคือเชื้อโรคทีนี้อย่างเชื้อโรคเนี่ยก็มีอย่างแช่นพยาธิใบไม้อย่างเงี้ยเมะระทานเข้าไปแม้บางส่วนจะดีเมื่อมีพยาธิใบไม้เข้าไปด้วย ก็เกิดโรคภัยติดตามมาในภายหลังแล้วโรคพยาธิพยาธิใบไม้เนี่ยเหมือนยังไม่มียาอะไรแก้มันนอกจากว่ามันจะกินจนตายมันอยู่ในท้องเราเพราะอะไรข้อที่หนึ่งไอ้พยาธิใบไม้เนี่ยมันจะอยู่ในตัวปลาไอ้ตัวปลาเนี่ยก็อยู่ในแถบจังหวัดสกลคนครนี่มากที่สุดสําหรับพญาธิใบไม้อแล้วพวกชาวนาจับปลามาได้ ามาถึงสับสั บ, สบมันนาวบีบใส่กินเลยแสบอีหรีแต่แท้ที่จริงกินพญ า, ายาดใบไม้ก็ไปแล้ว <c oughs> แล้วต่อไปเป็นยังไงภูิป่องตัวตาเหลืองนี่คือโลกพระย า, ยาิใบไม้เพราะฉะนั้นสิ่งต่อต้านสมาธิที่เรียกว่าปริวิตกหมายถึงว่ากบเลือกนายทําความเข้าใจของตัวเองไม่เป็นที่แน่นอน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยความลังเลเกิดความเข้าใจผิดในบางกรณีไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเชื้อโรคที่ปะพลอยู่กับสมาธิจะ แ, แก้ไขอย่างไรการกำจัดเชื้อโรคหรือตัวพยาธิใบไม้ต้องํำระอาหารให้สะอาดผูกหลักพชนาการต้องไม่รับประทานปลาดิ์ซึ่งจะมีตัวพยาธิอยู่ในนั้น หมายความว่าป้องกันไว้ก่อนก็จะสามารถป้องกันเชื้อโรคไว้ระดับหนึ่งก็มาถึงความ <c oughs> ปริวิตกคือความเข้าใจผิดโดยไม่รับฟังสิ่งที่มีเหตุผลพอตนทำสมาธิได้ได้บ้างแล้วก็หลงตัวว่าตนเป็นใหญ่ได้แล้วสมาธิมีความปริวิตกว่าการเป็นเช่นนี้ เราได้สมาธิมีความเหนือกว่าบุคคลผู้อื่นแม้อาจารย์ก็สู้ไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นเพียงปีติขั้นต้นพอถูกตับเตือนเข้าก็หาว่าอาจารย์หรือเพื่อนดูถูกเราเส็จแล้วจึงเปลี่ยนครูบาอาจารย์เอาแต่ใจตนเองเป็นต้นก็อรอดถึงเวลาไม่สมหวังเพราะความลาชาของกิจ อริวิตกว่าเราอาจจะหาผู้ที่สอนดีกว่านี้ดังนี้เป็นต้นกรณีเช่นนี้เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคหรือพยาธิใบไม้ที่แพร่เชื้อกระจายมาในสมาธิของนักสมาธิทั้งหลายโดยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเคลียร์หมายถึงทําความสะอาดให้แก่ใจโดยทิ้งความปริวิตกกังวลต่างๆเหล่านี้เสียแต่ว่า ความปรวิวิตกนี้เป็นเชื้อที่มีความแกร่งมากยากจะแก้ได้เพราะฉะนั้นเอจึงต้องอแก้ซะตั้งแต่ต้นมืออคือว่าจะไปกินปลาดิบซะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรารู้อยู่ว่าปลาที่เมืองสกลคนครเนี่ยมันมากแต่ที่อื่นก็คงจะมีแต่น้อยแต่ที่มีมากที่สุดคือ เนื้อตกนคอโดยเฉพาะหนองหานที่เขาได้เช็คแล้วว่าพญาตใบไม้มีมากที่สุดเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือไม่รับประทานยาแบบดิบและทีนี้ยังมีอีกแบบหนึ่งพอจับปลามาได้แล้วเอาไปทำปลรราละพอไปทำปลาลาเนี่ยปลาลาเนี่ยมันจะไม่สุกทีนี้ไอ้ตัวพญาใบไม้เนี่ยจะอยู่ในปลรรา ทีนี้ทางภาคพิสามั่นก็ทำส้มตาเป็นอาหารหลักมอทำส้มตาเป็นอาหารหลักก็ถ้าไม่ใส่ปลาลาก็บ่อแจ๊กถ้าไม่ใส่ปลาลามันก็ไม่อร่อยต้องใส่ปลรราหลวงพ่อก็เหมือนกันไปถึงนั่นแกทาส้มตาใส่ปลรราไหมใส่มาโอเคมาฉันถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ของอื่นมันไม่อร่อยแต่ทีนี้ ก่อนที่จะามาใส่ก็เอาไปต้มซะก่อนหรือว่าทำให้สุกซะก่อ <c> น <oughs> แต่โดยมากคีมมักจะสะเพร่าไม่ค่อยชอบเอะเอามาถึงกับบีบมะนาวใส่ตำผู้ผู้ภุปได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อยากจะคิดว่าเปรียบเทียบถึงว่าการทาสมาธิของเราเนี่ยจาเป็นที่อย่างยิ่งที่เราจะต้องหาวิธีการที่จะ การแก้ไขความปริวิตกเนเสียอนิดหนึ่งก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้เพราะว่าเชื้อโรคเนี่นิดเดียวมันก็เป็นเชื้อโรคอเยา ว, ว่าตักก็โรคอย่างเนี้ไม่ได้การเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจําเป็นต้องเคลียหมายถึงท่องความสะอาดให้แก่ใจโดยเชื่งความปริวิตกกังวลต่างๆเหล่านี้เสียแต่ว่าความปริวิตกนั้น เป็นเชื้อมีความแข็งแกร่งยากจะแก้ได้ถ้าหากว่ามันเข้ามามัดอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดบุคคลยังไม่เคยทําสมาธิเลยบางคนอย่างเนี้ยไม่เคยทําสมาธิเลยปริวิตกจนเกินไปจนเกินแก่เหตุว่าสมาธินี้เป็นของผู้ที่เสียสละแล้วต้งหากอย่างเรามีทั้งบุตรภรรยาสามี บริษัทห้ทางร้านตำแหน่งยอดถาบรรดาศักยย่อมไม่มีโอกาสที่จะทำได้เพราะสูงเกินกว่าจิตใจอย่างเราเราจะเอื้อมถึงความบริวี้ตกอย่างนี้เกิดขึ้นย่อมขวางกั้นหนทางที่จะปฏิบัติสมาธิมากจนถึงไม่กล้าแตะต้องอันนี้เป็นความบริวี้ตกเรียกว่าเชื้อโรคที่ร้ายแรงเชื้อโรคร้ายแรงไม่ต้องเข้ามาเลยเรียกว่าหมดเรื่องกันไปเลย อย่างนี้เพราะว่าสมาธินี punya, being, ่ cosa, inside, ne, มันต้องไม่มีมีเมียก็ไม่ได้มีสามีก็ไม่ได้มีเงินก็ไม่ได้มีของก็ไม่ได้ไปกันใหญ่อันนั้นแค่เรียกว่าอริวิตกเกินกว่าเหตุไม่ถูกต้องเพราะว่าสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขสมาธินั้นสามารถทำตำแหน่งการงานให้ดีสมาธินั้นสามารถให้พวกที่ร่าเรียนทั้งหลายเจริญด้วย สมองใสเกิดการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนกระทั่งการปกครองกรรมกรหรือปกครองบริษัทห้างร้านและต่างๆอาศัยสมาธิตรงนั้นด้วยสมาธิจะทําให้เกิดความเยือกเย็นอเมื่อสมาธิเกิดความเยือกเย็นแล้วความยือกเย็นนี้จะแผ่กระจายออกไปอแผ่กระจายออกไป ลูกน้องต่างๆก็อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเพราะจิตใจมีเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตานี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธิอย่างที่ท่านดาบดองนังเชื่อว่ากระบินฤาษีกระบินดาบทอยู่ในปาสกกะในสมัยนั้นเรียกว่า เรียกว่าปัจจัมะประเทศ <c oughs> แล้วเมื่อท่านไปอยู่ที่นั่นท่านก็เข้าฌานเวลาเข้าฌานในท่านแสดงให้เหมือนกสระน้ำใหญ่ๆอย่างนี้เรียกว่าเอาจิตนี้ไปตั้งเป็นนิมิตขึ้นเป็นนิมิตเป็นสระน้ำใหญ่อยู่บนอากาศและสระน้ำนั่นท่านก็เขียนตัวเมตตาลงไปในน้ำ น้ำทุกหยดนั่นคือหยดของเมตตาแล้วท่านก็เจาะรูตรงกลางสะสะนั้นก็จะไหลออกมาทีละน้อยไหลมาทีละน้อยมันก็จะน้ำนั่นก็จะไหลแผ่ซ่านทั่วไปในบริเวณรอบตัวของท่านเอากันว่าห้าสิบไมล์ห้าสิบไมล์ก็ร้อยกิโลเมตรเกือบร้อยกิโลเมตร ทีนี้ในโดยรอบห้าสิบไม้ท่านจะให้น้ำเมตตาเนี่ยแผ่ออกไปทั่วเลยในบริเวณนั้นจะไม่มีใครทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันไปถึงนั่นหายเข้าไปในบริเวณนั้นไอตัวพังพรกับงูนี่มันกัดกันพอไปถึงบริเวณนั้นเป็นมิตร กวางกับเสือเสือกําลังไล่ควางไปจะกินควางพอวิ่งไปถึงบริเวณของตาฤุษีนั่นควางกับเสือเป็นเพื่อนกันนกเขาวกับอีกามันจ็ด ก, กันเรื่อยเจ่ที่ไหนเป็นตีกันที่นั่นอ่าพอบินขึ้นไปถึงบริเวณของตาฤุษีอีกากับเอ่อนอกเขาวเป็นเพื่อนกันอันนี้คืออํานาจของเมตตาเพราะฉะนั้น เ, เขาคิดว่ า, เ, าเรามีทั้งบุตรภรยาสามีบริษัทห้างร้านตันแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ย่อมไม่มีโอกาสที่จะทำได้เพราะสูงเกินกว่าจิตใจอย่างเราจะเอื้อมถึงความเปริวิตกอย่างนี้เกิดขึ้นย่อมขวางกั้นหนทางที่จะปฏิบัติสมาธิมากจนถึงไม่กล้าแตะต้อง อันนี้เป็นข้อที่เราจะแก้ไขเพราะว่าไหนๆเราจะเป็นครูบาอาจารย์และทุกคนทุกคนเราก็ต้องมีไม้เด็ดทีเด็ดที่จะอธิบายให้เขาฟังหลวงพ่อก็มีไม้เด็ดทีเด็ดอธิบายให้คณะนักศึกษาฟังจดจำไว้นี่คือความไม่ดีของความปริวิตดังนั้นเพื่อแก้ทางของภัยตัวนี้แกสมาธิ ก็ต้องมามองดูความเข้าใจรู้เอามีได้จนถึงขยับเข้าถึงการดำเนินการที่คลายความวิตกกังวลเป็นไทยแก่ตัวเองสอนตนว่าเราก็คนผู้ทาสมาธิก็คนนักสมาธิก็คนเขาทำได้เราก็ย่อมทำได้หรือแนะนำตนว่าความสุขทุกคนต้องการ แต่ความสุขนอกเหนือจากธรรมชาตินั่นคือสมาธิเราเอาปริวิตกเป็นเหตุของเชื้อโรคนั้นมาแก้เชื้อโรคหมายความว่าเอาเชื้อโรคมาแก้โรคนั่นเองเหมือนกับเอาพิษงูมาแก้พิษงูนั้นความปริวิตกให้ปริวิตกดังที่กล่าวมาตอนท้ายนี้เมื่อทำได้อย่างนี้ คำเปวริวิตกจึงเป็นตัวแก้ปัญหาจนบังเกิดผลมาจนได้อันนี้เป็นต้นการแนะนำในตอนนี้เน้นถึงการต่อต้านสมาธิทำไมจึงไม่พูดสั้นๆพอเข้าใจกันก็ได้อธิบายมาทำไมใชยืดยาวอย่างนี้ที่อธิบายมายืดยาวอย่างนี้ก็ต้องการที่จะอธิบายโดยละเอียดก็เพราะต้องการ ให้ทราบทุกแง่ทุกมุมในมุมต่างๆของการต่อต้านเพื่อจะได้สมาธิให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะว่าเราขูกจนเป็นปมมัดลัดตึงตรึงตราแล้วการแก้ไข ย, ย่อมลำบากจึงจำเป็นต้องคลาปมให้ถูกจึงจะแก้ไขกันได้เช่นปมใจที่สงสัยอยู่เรื่อยไปนั้น เป็นปมที่จะต้องแก้จึงจะไม่ถูกรัดรึงจึงจะมากจนแก้ไม่ได้ปมปมตรงนี้ได้แก่ความมีจิตคิดปริวิตกกังวลในฐานะของตนว่าจะได้อะไรตรงไหนเมื่อทำสมาธิเราอาจจะคิดว่ามันจะได้อะไรตรงไหนนะในเมื่อทำสมาธิข้อนี้ ต้องตัดออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดจึงจะชื่อว่าเคลียหรือทำความสะอาดให้แก่ใจของเราก็เป็นอันว่าข้อพิเศษวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ <c oughs> ไปเคลียสถานที่ที่คุณพรเทพสักจ ร, ริเวสคุณแนะคุณบุญเรือนสักจ ร, ริเวสคุณเป็นผู้ถวายแล้วก็ ไปเพื่อที่จะตัดถนนว่าตัดไปตรงไหนและจะขุดน้ำบาดาลตรงไหนสร้างกุฏิตรงแอส <descript> Skill Orb SS ร้างที่พักตรงไหนไม่ใช่กุฏินะสร้างที่พักเพราะว่าคนที่จะไปฝึกชินษาสมาธิจะได้ประยู่3สามวันบ้างเจ็ดวันบ้างให้เขาเคลียร์พอเคลียร์ไปเคลียร์มาโอ้โหเจอของดี ออไอ้ตรงนัน้นมันเป็นภูเขานะแล้วมันก็เป็นเหว ล, ลึกตรงๆเลยไม่หลวงพ่ออะไรบอกว่าเอาตรงเนี้ยถ้าใครสัตว์ประโงกก็ตกไปเลยโอ้โหลึกลึกสองร้อยเมตรนะอ่ให้ให้เขาคำนวณมาวานี้เขาคำนวณดูว่าจากนี้ลงไปถึงพื้นเท่าไหร่สองรอยเมตรน่าดูตกลงไปนั่น ก็คงไม่พอเป็นไรอ่ะพอถลอกถลอกแต่ว่ามันเป็นเขาดินไม่ไม่มีหินเป็นเขาดินเขาเรียกเขาเรียกว่าแคนยอนอย่างที่อเมริกาเขาเรียกว่าแคนยอนเป็นอนดินดินเท่านั้นก็ ด, ดีแล้วก็เลยสร้างกุฏิเสร็จหลวงพ่อสร้างกุฏิหลังละชั่วโมงละหลัง แล้วก็นอนเสร็จพอนอนเสร็จก็เขาถ่ายรูปเสร็จพอถ่ายรูปเสร็จก็กลับมาขึ้นเครื่องบินกลับชั่วโมงเดียวคือตอนเช้าเนี่ยเราไปถึงก็ไปเคลียร์ที่เอไปถึงนู่นก้าวมงไปเคลียร์ที่พอเคลียร์ที่เสร็จแล้วก็เพนพอดีอก็เลยต้องไปฉันที่นูน่นที่อะไรนะอสามเดืยนทาำกา ร, รไปฉัน ฉันเสร็จทีนี้หลวงพ่อก็คุยเก่งเนี่อแล้วฉันแล้วก็ไมนนะ่ทีนี้มีพระไปสององค์เลยคุยให้พระฟังก็ลเลยเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งข้าคุยเว่งกลับมาอีกชั่วโมงหนึ่งก็กลายเป็นอสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขึ้นเขาอีกขึ้นชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงครึ่งพอสองชั่วโมงครึ่งแล้ว ก็เอาคนงานขึ้นไปถังมันต้นไผ่ถังหนามถังอะไรอีกใช้เวลาสองชั่วโมง mm hmm. ก็เป็นสี่ชั่วโมงครึ่งอ้บอกว่าสร้างกุฏีหลังนึงมันยุบมีอยู่ห้าคนก็ตัดไม้ไผ่ออกปักเสาเลยแล้วก็เอาเสาทาคานเอาเสาทาคือเรียบร้อยแล้วมันก็สับฟากปบปบเดี๋ยวเดียวก็เป็นแผ่นกระดานปู เสร็จแล้วก็นอนนอนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปชั่วโมงเดียวตะปูตัวเดียวก็ไม่เสียแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะกรงเหียวพอดีลงกล้องอะไรบนี้ต่ต้งอกลงไปก็สบายนะเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาคุยมากไปอีกแล้วตั้งแต่ตรงไหนเนี่ย ที่ก่อนที่ก่อนทั้งใครงั้นขอเชิญคุณสวีศักดิ์ก่อนเอ อ, อสิทธิ์ขอถามว่าถ้าบุคคลที่ทำบาปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะทำบุญเพื่อลบล้างนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ออทำบุญจะให้ล้างบาปเนี่ยคงทำไม่ได้บาปก็คงเป็นบาปบุญก็คงเป็นบุญ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำมากๆเละครับถ้าทำมากมาก บาปมันไล่ไม่ทันก็เหมือนกันกับสุนัขไล่เนื้อเมื่อมันไล่ไม่ทันแล้วสุนัข ก, ก็ต้องกลับอันนี้หมายถึงว่าทำมากชัตนี้ก็ทำาค่ต่อไปก็ทำต่อไปก็ทำไห้บาปแทนที่จะไล่ทันก็เลยไล่ไม่ทันแต่ว่าการไปรบร้างกันนรบล้างไม่ได้ขอบพระคุณอขอเชิญคุณสุพรล่าหน่ กราบ น, นมัสการพระอาจารย์เสร็จอยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธิที่บ้านเนี่ยค่ะนั่งได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะมีอาการตื่นแล้วก็ไม่สามารถจะนั่งได้อีกเนี่ยเป็นเพราะเหตุอไรคะเกิดเหตเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าครึ่งชั่วโมงพอแล้วนั่งต่อไปอีกไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ตอนนั้นนันมีภาดชนะใจของเราเนะี่ยมันเหมือนพาชนะ ไอ้ภาชนะในขณะนั้นมันก็เหมือนกับแก้วน้าหรือว่าเหมือนกับขวดน้ำไอ้เมื่อเวลาเต็มก็ใสอีกก็คงใสไม่ได้สมาธิก็เหมือนกันพอๆ อ, อย่างนั้นแล้วก็ใช้ได้อะไม่จำเป็นต้องฝืนเพราะว่าเท่านั้นก็ได้พลังจิเดเยอะแล้ว <c oughs> ต่อไปก็ทำอย่างนั้นต่อไปอีก <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณวิชาเชียนวิเชียนรัฐกรัานัสการท่านผู้อาจารย์สิตขอเรียนถามว่าขนาดที่ทำสมาธิจิตเข้าพวังก็ดีหรือได้สมาธิเห็นนิมิตก็ดีถือว่าเป็นสังขารในการปรุงแต่งหรือไม่ข้อสองอพระเจ้าสมัยพุทธกาลเคยสเสด็จมาประเทศไทยหรือไม่ครับ <c oughs> คนหนึ่งอะไรนะเห็นนิมิตอ๋อจิตเข้าผวังแล้วก็เห็นนิมิตเป็นสังขารปรุงแต่งหรือไม่เมื่อเวลานิมิตนั่นเป็นกิริยาจิตแล้วก็เข้าผวังก็เป็นกิริยาจิตเข้าผวังนั่นเมื่อจิตได้เคลียร์กายหยาบเนี่เรียบร้อยแล้ว จิตก็เข้ารวังจะส่สรรพงกตัวจะเป็นยังไงก็สุดได้แต่หมดความรู้สึกไปนั่นเรียกว่าจิตก็รวังไม่ใช่ไม่ใช่สังขารส่วนการเท่เกิดนิมิตนั้นน่ะเป็นกิริยาของจิตเช่นอย่างจิตเนี่ยมีอะไรขายไว้ในจิตเนี่ยเราก็ <c oughs> <c oughs> เวลาจิตมันเข้ารวังแล้วเกิดนิมิตอย่นั้นขึ้นมาก็ไม่ใช่สังขารอีก เพราะเป็นกิริยาของจิตพระพุทธเจ้าเคยมาประเทศไทยหรือไม่ก็ไม่ยืนยันเพราะว่าเห็นในสายจังหวัดเห็นมีรอยพระพุทธบาทต้องหลายสถานที่เลาอยากจะเรียนอาจารย์ว่าอันนี้นอันนี้หออลวงพ่อไม่ยืนยันวางเฉยอันนมนมาค่ะ อ่าต่อไปขอเชิญคุณมนเทียนศิระพานิชกาวนัสกสการ์ฟอาจารย์ครับผมถามสองข้อนะครวันนี้สองวันก่อนที่พอาจารย์บอกว่าออกมาเป็นที่นั่งสมาธิถัดกับพระอาจารย์คงมานะฮะเป็นอาธิสมานกายออกมาแล้วยืนสากลมด้วยอาธิสมานกายท่านบอกมีความเยือกเย็นสบายผมอยากถามว่าลมอันนั้นกับลมที่สัมผัสกับกายหยาดนี่เหมือนกันไหม ข้อนี้ก็คืออธิษฐานกายได้ออกจากร่างไปในขณะนั้นเพราะว่าร่างกายยาบถูกเคลียร์สนิทแล้วร่างกายทีนี้สำหรับลมที่พัดเข้ามานั้นไม่ใช่ลมที่ปรากฏอยู่ภายนอกที่ลมพัดอย่างนี้นแต่ลมชนิดนั้นเขาก็คงเป็นลมทิศชนิดหนึ่งข้อที่สองนะฮะผู้ที่จะทำสมาธิเนี่ยจำเป็นไหมฮะต้อง ถือสินบริสุทธิ์รอยเปอ็อันนี้ก็คงถ้าถือไดกอ้ก็ย่อมดีแต่ต้องหากว่าในระยะใดระยะหนึ่งอาจจะสินขาดไปบ้างแต่การทำสมาธินี่เกี่ยวกับจิตใจแม้ว่าบุคคลคนนั้นอาจจะกำลังผิดสินอยู่แต่จิตใจเขากลับในขณะที่ทำสมาธิจิตได้กลับไปแล้วจะ การทำบาปนั้นเขากระดุดพ้นได้ยกตัวอย่างเช่นท่านพระอังคริมานได้ฆ่ามนุษย์มาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเยหมัานั้นกินเหล้าจนกระทั่งมึงโหัวไม่ขึ้นก็พอดีว่าผู้หญิงที่ตัวรักาอายุ16กปีเป็นนางบำเรอตายต่อหน้าต่อ ต, อตาก็เกิดความโศกเศร้าก็ ไม่รู้ว่าจะหาใครแก้ขอให้พระพุทธเจ้าแก้ให้พระเจ้าแก่เทศเพียงสามคำเท่านั้นสันทติอามาศก็ได้บรรลุก็แสดงว่าในตอนนั้นท่านเกิดไม่ได้มีศินแต่ว่าท่านก็บรรลุได้เพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ใจที่ได้มีเจตนาละเว้น <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณสุวรรณพุ่มพวงอาารย์คการภาชาครับ อยากจะถามผ้าจาย์ว่าขณะคนที่ว่านอนนอนหลับนะครับถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้รู้ตัวไหมครับว่าเขาได้ตายไปแล้วครับคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่นอนหลับเวลาตายก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเราตายเพราะจิตเขาผวังไป เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันคนนอนหลับก็ไม่รู้ตัวคนตื่นอยู่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าตายเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ทางด้านจิตใจเนี่ยเขาได้วามกดไว้ว่าคนที่ตายเนี่ยต้องเจ็ดวันก็ก่อนท่านจะรู้ว่าเราตายแล้วตอนที่ ยังไม่ทันถึงเจ็ดวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวเองตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทาบุญเขาจึงเรียกว่าทาบุญเจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ที่ว่าไม่รู้จักว่าเวลาที่เราจะตายนั้นพระจิตเข้าผวังพอเข้าผวังแล้วก็หมดความรู้สึกทีนี้พอตื่นผวังมาอ้าวไปแหละได้อยู่อีกพบหนึ่งแล้วนี่เป็นต้นก็เลยไม่รู้ตัว ต่อไปขอเชิญคุณศรีนวลบัรพศกลับได้มาส ก, การหนึ่งข้อค่ะสิทธิเดือนวันนี้มีข้อสงสัยอยู่สองข้อนะคะขอข้อแรกก่อนคือสิทธ์ได้ฟังเทปของท่าอาจารย์ว่ามีอยู่ม้วนหนึ่งว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะแล้วว่าไปผู้หญิงเราเนี่นะคะจะเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยต้องสามสิบเจ็ดชาติถึงจะเกิดเป็นผู้ชายได้ ทีนี้สิทธิ์ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าการที่จะต้องเกิดอีกสามสิบเจ็ดชาติถึงจะเป็นผู้ชายเนี่ยพ่อเทพเนี่ยออกมาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยชัดอยากให้หลวงพ่ออธิบายอีกครั้งหนึ่งคือผู้หญิงที่จะเกิดเป็นผู้ชายมันก็มีเหตุหลายประการประการที่หนึ่งนั้นได้เบื่อจากเพศผู้หญิงตั้งจิตอธิษฐาน ต่อไปจะของให้เป็นชายแต่การที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเขาได้สร้างไอ้เขาเรียกว่าปุริสธรรมปุริสธรรมก็คือฮีริอะไรบ้างวะปุริสธรรมฮริความน่าอายแก่บาปปรตจปะเกรงกลัวต่อบาปขันติความอดทนธรรมะความข่มใจอะไรเหล่านี้ สี่ประการนี้ก็คงไม่ถึงสามสิบเอ็ดชาติอันที่จริงสามสิบเอ็ดชาตินั้นอาจจะพูดผิดไปฟัง ม, วมัวนิือผิดไปแต่ทีนี้ผู้ชายนี่จะกลายเป็นผู้เป็นผู้หญิงได้ก็ต่อเมื่อเขามีความปรารถนาว่าฉันไม่อยากเป็นผู้ชายแล้วฉันจะเป็นผู้หญิงแหละงั้นก็ต้องทำบุญเช่นเดียวกันคือมีอ มีธรรมะ อ, ะอยู่สามข้อคือความละอายแก่บาปความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ความเสียสละบเป็นต้นมีสินห้าอีกข้อหนึ่งนะคะสิทธิขอถามเลยคือการที่เสร็นั่งสมาธิแล้วถึงจุดจุดหนึ่งกรรมิกรรมก็าหายไป แต่จิตนั่ะสิบนั่งเนี่ยจะไม่ไม่ได้เพ่งอะไรเลยอยู่ๆก็เกิดพอจิตจิตนิ่งการบริการหาหายไปก็เกิดมีแสงปุ๊บเข้าไปในตาทั้งทั้ที่สิทไม่ได้ลืมตาเลยไม่ทราบว่าแสงตัวนี้เป็นสายอะไรเออแสงอันนี้คือเออพลังพลังจิตแท้ที่จริงอ่ะไม่ได้เข้ามาอย่างนั้นคืออยู่ในตัวของเราเองเกิดอยู่ที่ตัวของเราเองเพราะว่าจิตนั้นน่ะ อได้สงบลงไปจนกระทั่งเกิดพลังแล้วพอเกิดพลังแล้วเทนี้ต่อมาก็จะต้องปรากฏเช่นอยวกันทาตาก็อาจจะได้ทาหูก็อาจจะได้ทากายก็อาจจะได้แต่ว่าเหมือนกับมันมาจากที่อื่นมาหาเราแท้ที่จริงแล้วก็คือการดึงดูดนี่อยู่ที่ใจใจของเรามีพลังนั่นเอง เมื่อใจมีพลังแล้วเกิดกระแสเหมือนกันกันกบไอ้กระแสไฟฟ้ามีดอดไฟนะี่มันมีไอ้กระแสมันมีกำลังของมันพอพอเปิดสวิตช์พับมันก็ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นอันนั้นเกิดขึ้นจากพลังจิตขอพบพระคุณค่ะเ อ, อ่อวะไรลักษณ์เนี่ยงานนันจะการ ที่หลวงพ่อได้เคยอธิบายนะคะว่าเวลาเราใช้ความคิดมากๆเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนของประสาทนะคะทําให้เกิดความเสื่อมของประสาทได้นะคะแต่เท่าที่เคยได้ยินมาอย่างเขามีการทดลองนะคะว่าถ้าคนเรานี่ยิ่งใช้เ อ, อความคิดนะคะที่ว่าใช้สมองนะคะแล้วแลก็คิดอะไรคิดค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิด ความหยักในในสมองมากคนนั้นก็บอกว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็จะทำให้ความจำออดีแล้วก็ไม่ไม่เกิดอาการสมองเสื่อมนะ ก, ก็เลยสงสัยว่ามันจะต่างกันไหมค ะ, อ, ะอันนี้คือว่าอาการนักคิดเนี่ยมันมากอยู่แล้วนะคนเราเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันในความมากดัง น, นั้น ให้มันมาอยู่ในตรงพอดีเพราะว่าการที่กําลังคิดเนี่ยมันเกิดการอาการสั่นเทือนของประสาทเนี่ยเรียกว่าคิดทีมันก็สั่นเทือนทีหนึ่งเพราะฉะนั้น เ, เวลาที่คนที่คิดมากจนกระทั่งยับยั้งไม่อยู่เนี่ยอันนั้นมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความเสื่อมกันกระทั่งขาดสติ ทนี้สําหรับคนที่สมองดีเนี่ยเราลองสังเกต ด, ดูว่าอย่างคนที่ฉล า, าดฉลาดคิดได้เก่งเนี่ยไปไปแล้วจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าสติวิปลาดเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเกินไปอย่างคนเรียนเก่งๆเนี่ยบางคนเรีย่ยโอ้ยนี่เรียนเก่งมากพอไปถึงมหาวิทยาลัยอ้าวไปเข้าปากของสารซะแล้ว อ, อย่างเงี้ยมีตั้งเยอะนะอ่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้เนว่าให้เอาแต่พอดีเนี่ยถูกต้องถ้าหากว่าเป็นคนที่ขี้ซึงนึกก็ไม่นึกคิดก็ไม่คิดอันนั้นก็จะกลายเป็นว่าอาจจะเป็นคนเสียสติไปอีกก็ได้อย่างเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเราทำในระยะพอดีดีที่สุด หมดแล้ว <c oughs>